ห่มจีวรสีดำล้วนห่มจีวรสีแสดห่มจีวรสีชมพูห่มจีวรไม่ตัดชายห่มจีวรมีชายยาวห่มจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ห่มจีวรมีชายเป็นแผ่นสวมเสื้อสวมหมวกคนทั้งหลายตำหนิประนามพลทนาว่าฉะไหนพวกภิกษุณีฉับพักขี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 ไม่พึงสวมเสื้อไม่พึงสวมหมวกรูปใดสวมต้องอาบัดทุกกฎ